ใช้หลายๆอย่างสร้างสติปัญญาเราก็ตื่นนอนมาไหวพระสวดมนต์สาธยายทำในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำมาแสดงออกทางวาจาจียามลายาตเราก็แสดงออกหัง ใ, ใจเราก็แสดงออกติดตามคําสวดรูปไปตาม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 จากเวทนาจากกิจจากธรรมเหมือนกับการไขคุญแจแ่โซปลดปล่อยตัวเองออกไปไม่ถูกกักขังเห็นสภาพชีวิตที่มันมีส่วนที่มันขวงขวงกันเคยเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องกิจเรื่องธรรมเอาหลงอยู่นี่กี่ภพกี่ชาติ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 แต่แขนในกองรูปกองนา้ากองรูปกองน้า ม, มีสิ่งที่อาศัยอยู่นมากมายหลายอย่างมีอาการมีธรรมชาติเยอแยะไปหมดเลยที่เกิดที่ตั้งอยู่บนกองรูปที่อาศัยอยู่บนกองรูปกองนา้าเหมือนแผ่นดินที่มีสิ่งที่เกิดอยู่บนแผ่นดิน นี่ต้นมากหลากไม้สัดสาลาสิ่งที่มีพิษมีภัยมีประโยชน์ก็มีมีโทษก็มีเหมือนภูเขาลูกนี่ที่เราอยู่นี่ปัดปาสุขตโไม่ภูเขาอีกหลายลูกต้องอยู่บนภูเขาลูกนี้มีชื่อเสียงเลียงนามต่างต่างลักษณะก็ต่างกันไปเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับภูเขา นามนี่ก็ยิ่งมากมายมันก็มีความรู้ความคิดความนึกอะไรต่างๆ น, ะนามเป็นธาตุรู้อัอนหนึง่งเรียกว่าปีจารณาธาตุเป็นธาตุรู้อะไรรู้อะไรรู้ไปหมดรู้ตะเปะตะปาไปก็ไม่รู้อันถู ก, กอันทองก็ไม่ รู้ความชั่ววางแผนทำความชั่วทำความชั่วได้สําเร็จลูกความดีทําความดีได้สําเร็จก็ไหมรู้ทอดรู้ทนหนามมาทําที่อาศัยกันทำทํากรรมได้สําเร็จเราก็ทําได้สําเร็จแต่ว่ามันเป็นกรรมที่ไม่ใช่ความหลุดพ้นเป็นกรรมที่วุวน ในกองรูปกองน้ําพอมาเห็นสิ่งต่างๆที่มันตั้งอยู่กับกองรูปกองน้ําเนี่ยตอนนี้แหเป็นแหล่งแหล่งการศึกษาแล้วกันนะสนุกดูสนุกเห็นสนุกดูสนุกเห็นเหรอเฮ้ยเห็นรูปทำเห็นน้าทำรูปมันทําดีน้ำมันทําดีรูปมันทํนามมททชั่วน้า ม, มันทําชั่วเห็นกับหูกับตาสัมผัสได้ เอาลูปเอานามมาทำความดีเอารูปเอานามมาเล่าความชั่วทำได้แล้วเปล่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามทำให้เราได้ทำดีทำให้เราได้เล่าความชั่วมีมากเห็นเห็นจริงเห็นตามความจริงก็พอสรุปได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปตับนามล้วนแต่เป็นอาการไม่ใช่จริงจังอะไร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 แต่ก็อนเราเคยโ ง, ง้ก็ไม่เคยหลงก็ไม่เคยสุขเคยทุกข์ก็ไม่บัตรนี้ไม่โง่หลงมากมายเป็นตัวปัญญาเป็นตัวเฉลียวฉลาดจากกองลูกกองน้ำทั้งหลายทั้งหลายลูกทำน้ำทำลูกโลกตามโลกลูกสมมุติน้ำสมมุติลูกทุกข์น้ำทุกข์สมมุติบัญญัติโอ้ยมากมายในโลกเต็มไปด้วยสมมุติ สมมติบัญญัตินี่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช่ให้สาเร็จประโยชน์เป็นสาลเก่นชื่อเสียงเรียงนามของเราบุตรพันยาสามีของเราทรัพย์สินของเราอะไรต่างๆนี่สมมติบัญญัติใช่ตามใช่ตามความถูกความต้องสมมุติใช่กันไปเป็นอะไรต่างๆมากหลาย สมมติบัญญัติที่เป็นอารมณ์ที่บัญญัติเ่าเองก็มีความชอบความไม่ชอบความยินดีความยินล้ล่บัญญัติลงไปมากหลายบันทึกลงไปเหมือนคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลไว้เยอะแยะไปหมดเลยหนักอึ้งไปเลยบางคนชีวิตบางชีวิตหนักมากเป็นพาล่าหาเวปันจักขันธา ขันทั้งห้า ท, ทั้งที่มันเป็นธรรมชาติก็เป็นอุปทานไปยึดเอาไปยึดเอาไม่ไม่ปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาติเป็นอาการไปยึดเอาหนักแบกเอาพอลงพลังไปยึดเอาความสุขยึดเอาความทุกข์ความทุกข์ก็ยึดนะยิ่งยึดเจียงอันความทุกขนะ์น่ะถ้าได้โกรธเราก็ลืมไม่ลงแะ เยอะเลยเอามาทำให้เห็นเป็นทุกข์สวยเรียกว่าวิบากวิบากกรรมวิบากมันเราสวดเมื่อกี้นี่อยู่ในภูมิทั้งสามอยู่กันในกําเนิดทั้งสภูมิทั้งสมคือก็กามาพบรูปพบวูตถพบภูมิพบวัตะสงสารกําเนิดทั้งสีงสคื อ, อ, ส, ส, ส, คอสังเสทชะคันทชัชฌลภูชะ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 เคยอยู่ในพบในภูมิบร้อเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับขิดหลาบพัมาเห็นมาดูมาลูเข้าไปนะเนี่เป็นเป็นสมมติปัญญาที่เกิดขึ้นกับนามลูกนามมาลูกมันเกิดดับเกิดดับวันหนึ่งกี่พบกี่ ช, ชาติสมมติปัญญาที่เป็นลูก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 ชกช่วยเอาเข้าไปเอาของคนเดิมมาเป็นของตนผิดสิ้นผิดธรรมไปแต่พตะพืธนผืนไปเห็นแต่ขานะตกแหลงตกแหลงของตะ ก, กะศิลาพอเห็นโูกเห็นนามแล้วเป็นตะ ก, กะศิลาของการศึกษาชีวิตเราลู้ลู้ลกแก้งไม่ใช่ลู้แบบจำลู่เห็นลู้เห็นพบเห็น เห็นความไม่เที่ยงก็ก็ไม่เที่ยงจริงจริงแบบไม่เที่ยงไม่จริงแบบไม่เที่ยงรู้จนเกลี้ยงทุกก็จริงแบบเป็นทุกแต่ความทุกนันก็ไม่จริงมันจริงแบบเป็นทุกเฉยๆไม่มีสิ่งไหนที่จะไปยึดไปถือเอาวิชากรรมฐานหลุดไปอย่างนี้พ้นไปอย่างนี้เห็นลูกสมมุติเห็นน้ำสมมุติเห็นบัญญัติ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 ทำลายลงได้จริงๆพระพุทธเจ้าเปรียบเทียทมยานหรือปัญญาเนี่ยปัญญาญาปัญญาวิปัสนาญานเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนชา่างม้วนอ้อยเข้าปากง่ายนิดเดียวถ้าเราไปม่วนเหมือนช่างไม่ได้การที่มันเกิดยานขึ้นมามันเป็นพระหลังร่วมหลายอย่าง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 ภายหลังไม่ประมาทชื่อว่าสร้างโลกให้สว่างแล้วเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆแข็ น, นั้นชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นมันหลุดานะ่าวายจากนี้มันไม่ใช่เป็นคำพูดมันหลุดแล้วมันจึงมีคำพูดออกมาเป็นสมออ ม, สมุ ต, ญญติออกมาสมมุติบัญญัติออกมาหลายรูปว่าอรหันต์หลายรู ป, าารรปที่บัญญัติที่เป็นคาถาแสดงออกมา เรียกว่าศาสนสุศาสนุพัสสิทธิแต่เป็นพุทธภาสิตเป็นของพระพุทธเจ้าบางทีภิกษุณีก็มีบัญญัติออกมาอุทานออกมาเป็นคำพูดแสดงออกมาหลายคนหลายพูดบัญญัติลงไปจนเป็นพระสูตรเป็นพระอภิธรรมเป็นพระวินัยมากลายการศึกษา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 ไม่ใช่ไปเรียนเหมือนการศึกษาฝ่ายปริยัตไปเรียนเอาว่าได้ปานาติปาตาเวลมณีว่าได้ปปไดหอบุษ ท, ทังสนังกชามิว่าได้นโมตัสสะพระคาวโตว่าได้อย่างผูท้ที่ในตำราผู้ที่ว่านโมก่อนคขในโลกคือใครล่ะอะไรล่ะผมอะไร จำไม่ได้นี่เป็นความจำนะไม่ใช่ความรู้พอฟังเทศพระพุริจาเราเกิดศรัทธาน้อมกราบนามูตสสะปะกวาโตขอโนบโนมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะได้ยินได้ฟังได้เกิดปัญญาขึ้นมาหรือวสกวาสิกาคนเลกอ่าวิดาของพยาศมาดาวพยาศภรรยาของพยาศ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 ต่อหน้า ต, ต่อตายังมาหลอกกันเดี๋ยวเมาเล่ามาวันนี้ก็ยังว่าสุลาเมลายะมัชชปมาทัฏฐานาเวลามณีท้าวเจ้ามีเจตนางดเว้นจากการดื่มสุลาเมลัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทยังมาหลอกกันต่อหน้าต่อตาก็มีคําว่าคําพูดอั น, น, นมั้นเป็นการศึกษาที่รูปแบบจําออกมามาว่าว่าได้เรียนได้หัวดี แต่ว่าวิชากรรมฐานนี้เป็นวิชาที่เกิดจากการกระทาของเราทุกคนไม่มีใครที่จะให้กันได้นะต้องมาทำเอากยกรรมฐานจําแนกไปเลยไม่ต้องมีอะไรหรอกกายนี่แหละเป็นตาราใจนี่แหละเป็นตำราสตินี่แหละจะเป็นนักศึกษาดูไปดูไป เริ่มต้นจากสติเอาไปเอามาไม่ใช่สติธรรมดาเป็นญาณเป็นฌานเป็นปัญญา <c oughs> ก็เกิดขึ้นเลยเรื่อยๆมากหลาย <c oughs> การเจริญสติเนี่ยนะกันจึงมาจับตรงเนี้กันพวกเราจับปลงลอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปเกิดขึ้นมาในโลกเริ่มต้นจากการเจริญสติปัฒฐาน ตองนั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาภูไม่มีหนังสืออ่านสักเล่มเดียวความรู้ที่ศึกษามาสิบกากตสตร์ก็ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยมามีสติดูกายตั้งไห้ตั้งไห้จนเกิดมารมาไปจนหลายอย่างาเกิดพระพุทธรูปปางต่างๆอยู่พุทธรูปที่เรากล่าวไหวในปางสมาธิ รูปนั่งอยู่รูปนี่ก็มีปางสมาธิแบบเคียงแสนแต่ปางสมาธิแบบสุโคไทยแบบนี่ก็เป็นไปอีกรูปน่งปางมานวิชัยก็เป็นอีกแบบหนึ่งปางสี่หัสเยญาติปางอะไรต่างๆ กำเพงลำพันอะไรต่างๆห้ามญาติอะไรต่างๆสมพูขมมพญญิขึ้นมาสมุูิปัญญัิขึ้นมานี่ก็ <c oughs> คือการศึกษาในวิชากรรมฐานไม่ใช่วิชาที่ไปคิดเห็น เป็นวิชาเป็นการศึกษาที่เกิดการพบเห็นพบเห็นเห็นอะไรเห็นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกายจะกับจิตใจไม่มีตรงไหนปิดบังอำพรางลูกหมดลูกครบลูกท้วนเห็นแล้วก็หลุดเห็นแบบนี้มันหลุดมนทนยิ่งตรงกันที่มันมันดีที่สุดคือเห็นความหลง เรียนความหลงเป็นความรูม้เน่มันมันแจะว่ะาภาษาภาษาอะไรนะเอาชนะมันได้เห็นความกโกรธเอาชนะความโกรธเห็นความทุกข์เอาชนะความทุกข์นี่ยโอ้ไม่มีอะไรที่จะแน่วแน่มั่นคงเท่ากับเสียงเล่านี้นะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนนบผ่านเอาให้มันวอดไปเลยน ะ, จะใจมันเป็นใหญ่อยู่ในชีวิตจิตใจเราได้อย่างไร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 ถ้าไม่คืนน้าลายมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่นั่งไม่นอนไม่ยืนไม่เดินมันก็เป็นทุกข์โอ้ทุกข์ขังทุกข์ขังทุกข์อันนี้เป็นทุกข์กำหนดรูปไม่ใช่ทุกข์อุปาทานแต่บางคนไม่รู้ไปยืดเอ้าว่าเป็นทุกข์จนเกิดปัญหาเจอเสียงอื่นว่าถุกอื่นคนอื่นหาเรื่องที่จะมาแก้ตรงแน่จริงทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์กําหนดรูปในรูปทุกข์ในนามทุกข์ ทุกบางอย่างกําหนดรู้โดยการบรนเทาเกิดความร้อนก็อาบน้ําการหนาวก็ห่มผ้าการหิวก็กินอาหารการขับการถ่ายทุกย้อนทุกเจ้าเรือนทุกเจ้าถิ่นทุกสามัญในลักษณะไม่ใช่เป็นทุกอุปาทานทุกจะเป็นอุปทานเป็นทุกฤษสิบสี่บางทีทุกฤษสิบสีมันพ่วงเข้ามากับทุกขังทุก สามัญลักษณะทุกสภาวะทุทิศละทุกอาขันตุกทุ ก, ทกเอาหมดเลยทุกอริยสัจสี่ถ้าเห็นแล้วโอ้เป็นระเบียบเจ้าทุกทั้งหลายเข้าแถวกันเข้าแถวเคาลบสติเพราะสตินี่มันมีมันมียาดมีปัญญาออกหลีกทางไปเลยถ้ามีสติ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 การที่จะทําใจง่ายกวอย่างอื่นการทํากายในต้องเกี่ยวข้องกับวัตถอุอื่นเสียงอื่นหลายหลายอย่ะมาช่วยเช่นหนาวก็ต้องหาผ้ามาห่มเหยว่ข้าวก็ต้องกินข้าวมีข้าวมีอาหารมีถ้วยมีชามมีช้อนมีเขี้ยวมีมือมีตาอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยแค้ว่าการทุกข์ที่เป็นทุกข์เรศสัตว์เนี่ยง่ายนิดเดียวละทันทีเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนง่าย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 กับคณะท่านลองก็ว่าถ้าคุณหมอพยาบาลมาจากบุริรัมย์ก็เอาบุรีรัมย์ไว้หลังเอาครุเมืองไว้หลังเอาพุทธชัยสงฆ์ไว้หลังเอาหนองสองห้องไว้หลังเอาเมืองพนไว้หลังเอาคอนสวรรค์ไว้หลังเอาแจ้งข้อไว้หลังขึ้นถึงป่าสุกโตเรามองไปข้างหลังดูสิที่เราเดินมาเราก็ผ่านมาได้อย่างนี้มาถึงนี่ยากจริงๆแล้วมีใครมาถามว่า เรามาได้ย่างเ็เห็นแล้วพอ ม, มาถึงที่นี่ก็มองไปทั้งหลังก็รู้แล้วมาได้ผ่านมาตรงนั่นจริงๆถ้าจะมานี่นั่งรถถูกส่งถูกเส้นถูกสายถูกเที่ยวถูกเวลาต้องมาถึงได้การปฏิบัติทำก็เหมือนกันไม่ต้องไปใช้สมองใช้การกระทำอย่างเดียวการกระทำพาไปเองจำแนกไปเองกรรมจำแนกสักกัมมุนาวัตติโลโก สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าเราจะศึกษาโดยชีวิตแห่งความหลุดพ้นต้องมีปฏิบปปธรรมไม่ใช่ไปคิดเอาเหตุเอาผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมเหตุผลหรือฆ่ากันตายก็ได้สัจธรรมเนี่ยมันมันไม่เป็นเทียนนั้นมันจริงนะมันเห็นจริงแตะมันทําไม่ลงเห็นความโกรธความโกรธลงได้ยังไงมันจะเอาไฟมาจุดตัวให้มันไหมอยู่ทําไม เราเห็นไปจะเอาไปมาให้มันร่อนอยู่ทําไมมันก็เอาไปไหนหรือดับไปบางทีเราจะก่อนไม่รู้ถ้าเคยมาทําให้เราโกรธมาทาให้เราทุกข์เราก็ต้องตามหาคนทําไมทําไมทําไมจึงว่าอย่างนี้ทําไมจึงว่าอย่างนี้อทําไมจึงว่าเราอย่างนี้อย่าว่าเราสิบางทีก็ไปทะลาะวิวาทกัน บางทีกูได้ด่ามันกูก็หายโกรธกูได้ฆ่ามันกูก็หายโกรธมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไฟมันเกิดขึ้ก็ดับทันทีเย็นจ้อยไปเลยอเราในมีพละเสียเปรียบถ้าถ้าเราโกรธให้คนใดเราเสียเปรียบคนนั้นเสียเปรียบจริงจริงเสียเปรียบคร้มโกรธเสียเปรียบคร้มทุกมีประโยชน์อะไรโอ้มาเห็นแล้วนะขนหัวลุก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 มาบำเพ็ญทางจิตเอาทุกคนก็มีจิตจิตมันเป็นยังไงจิตกับสติเนี่ยเข้ากันดีดีคู่กันมีสติดูจิตเอาในจิตมันก็มีจิตดูของมันเองในสติมันก็มีสติแล้วเท่านั้นประเด็ไม่ต้องยากเลยมันในตัวมันในจิตมีสติดูจิตมีจิตดูจิตให้ไวที่สุดตรงนี้ เราจะแพ้เราจะชนะก็นี่แหละตรงนี้แหละเราก็แพ้ตัวเองเราชนะตัวเองสุดท้ายก็มีสติดูกิจมีกิจ ด, ดูกิจเนี่ยในกิจดูกิจในกิจมันดูกิจเองมันเป็นไปเองการมันเป็นทางกิจไม่เหมือนกับการเริ่มต้นที่มาสร้างจาังวะต้องออกกายสร้าง หลังกวดเดีวต้องเห็นกายต้องหลงกายต้องเห็นกายต้องหลงกายความหลงกัความรู้ทํำใหม่ๆความหลงก็จะมากความรู้อาจะน้อยอต้องสู้ต้องทนต้องทวนกระแสสักหน่อยพอมันขึ้นได้มันก็ไปง่ายๆเหมือนทะเลการศึกษาธรรมะมันลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆ ทะเลเนี่ยมันไม่เหมือนฝั่งแม่น้าคีฝั่งแม่น้า ม, ม, า ม, มูลไม่เหมือนฝั่งอาลมปะเทาไม่เหมือนฝั่งแม่น้าําขงทะเลเนี่ยมันเรียบมันลุ่มลึกลงไปเลยเลยเหมือนก้นกระทะมันจึงมีความเข้มแข็งไม่พังฝั่งทะเลภูเขาสีละแท่งทึบและฝั่งทะเลอ่าประจิตพระจันทร์ฝั่งทะเลมีกำลัง การศึกษาธรรมะเนี่ก็มีกำลังมีกำลังที่จะละความชั่วทำความดีมากหลายเดี๋ยวแยะศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยอวิมุตต์มาช่วยมีแต่สิ่งมาช่วยเราอไม่ให้คล้องไม่ให้ติดอยากจะ่โกรธก็โกรธไปได้อยากจะหล้มก็ล้ไม่ได้ค่ม ข, ขืนตัวเองถ้าจะโกรธค่ม ข, ขืนตัวเราถ้าจะหลงก็ค่มขืนถ้าจะทุกข์ก็ข่มขืนมันทำไม่ลง ก็เลยศีลมาช่วยสมาธิมาช่ว ย, ส, วยสติมาช่วยปัญญามาช่วยอะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะมีกิจ ด, ดูกิจมีสติดูกิจนในทุกสนุกเราตรงนี้นนัไม่มีอะไรจะสนุกโทษตรงนี้เหมือนเหมือนเด็กติดเกม <c oughs> ชนะก็ชนะตัวเองแพ้ก็แพ้ตัวเอง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 มันเป็นอย่างนั้นมันมากขึ้นมันมีมันมีแหลกเหมือนกับความเพียรเมื่อน้าฝนเมื่อมีนําฝนก็เกิดชุ่มฉ่ำจะเขียวผลละหมากลางไม้เกิดขึ้นมาือดูนี่เป็นเป็นฤดูแล้งใบไม้เหี่ยวแห้งเพราะอะไรเพราะขาดน่าฝนชีวิตของเราก็เหมือนกันความเพียร ความเพียรคือการกล้าเพียรยังไงเพียรละกุศลให้เกิดกุศลเพียรละอกุศลเพียรละบาปเพียรละกายทุจริตเพียรละวากิทุจริตเพียรละมโนทุจริตให้เป็นกายสุจริตให้เป็นวาจาสุจริตให้เป็นมโนสุจริตเนียเราเจริญเศรษอย่างเดียวทำทั้งหลายทั้งหลายเหมือนกับการศึกษาเราศึกษาไป ที่สุดก็คือจเจริญสติมาบาเพ็ญทางกิจมันง่ายๆแล้วบนะมันง่ายๆมันไม่สิ่งอาศัยเหมือนเราเดินไต่สะพานมีเราจับในเ ม, มทางที่จะพัดตกลงไปได้การปฏิบัติธรรมเมื่อได้อารมณ์เมื่อเห็นอารมณ์กรรมฐานนั่นก็ช่วยเราอารมณ์มันช่วยเรา โดยเฉพาะลูบทำน้ำทำหรือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ใจรักทั้งหลายนะมาเห็นไตรักนี่พอพอเห็นใจรักนี่โอ้พอให้เราหลุดพน้นอะไง่ายง่ายเข้าหาไตรักไตรักเป็นตัวเฉลยชีวิตทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงชีวิตของเราเห็นลูบเห็นน้ําเห็นไตรักเห็นอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกายกับกจิตตกอยู่ในสภาพใจลักนี่ถ้าจะเินอยู่อย่างนี้อย่างเดียวก็ถึงมากถึงผลได้แต่นี่เราด่วนเชอะหน่อนเราด่วนสายด่วนเชอหน่อนเอาให้เอาให้ทันทีเลยบำเพ็ญทางกิจเข้าไปไม่ต้องไปลำดับลำนาบางทีปัญญาวิมุติก็เกิดขึ้นได้ การหลุดพ้นโดยปัญญาการหลุดพ้นโดยกรรมฐานเรียกว่าวิปัสสุขวิปัสสโกเอาร่อนลอนไม่ต้องรอไม่ต้องอาศัยปัญญาไม่ต้องอาศัยอะไรเอาล่อนลอนเข้าไปเลยด้วยสติดูกิดไม่กิดดูกิิดเข้าไปเนี่ยมันมันมันสรุปเลยมันมีเท่านี้จริงจริงอะไรก็โลมหมดเห็นมาหมด ร, ร, รูปทุกนามทุกรูปโลกตามโลกรูปทำหนับทำรูปสมมุติรูปบัญญัต มีศีลสมาธิปัญญามีกุศลอราคุศลเอาคุศลก่นละกุศลต้องสร้างเรื่อยไปเปลี่ยนเรื่อยไปเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อาคุศลเปลี่ยนกุศลคว้มลงเปลี่ยนคุ้มไม่ลงสังขารเปลี่ยนไปริสังขารอันสุที่สุดจิตใจมันก็เปลี่ยนลือหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวที่ทําให้สุขทํำไมทุกข์ เป็นธรรมชาติชีวิตเข้าสู่ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรป้มเนก็เหมาะแก่การงานแก่หน้าที่ก็คิดเห็นอยากสอนคนเมื่อตรงที่หลวงพ่อเทียนสอนพวกเราให้รู้จักรูปรูจังน้ำหรือสอนตั้งแต่เบื้องต้น ไม่เคยมีใครสอนให้เอากายมาสร้างความรู้สึกตัวสอนให้เอาใจมาสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกความรู้สึกตัวเกิดจากกายจากใจความหลงก็เกิดจากกายจากใจเอากายเอาใจมาสอนให้รู้สึกตัว итан. ไม่เคยเห็นใครก็ศึกษากรรมฐานมาหลายแบบมาเห็นหลวงพ่อเทียนเนี่ยมาสอนใต้อารมณ์กรรมฐานได้หลักใต้ฐานไปเลยๆก็อยากสอนคนให้มา มันก็มีรสชาตินะรถพระธรรมตรงนี้นะโอ้อยากสอนคนให้เขารู้เรื่องนี้ก็ตื่นลือล้อนแล้ววะนะไม่มีไม่มีคําสั่งไม่ต้องมีคําสั่งไม่ต้องไม่มีไม่ต้องมีมหาเทระสมาคมนะสั่งแต่นี่กําลังล่างพระราชบัญญัติพุทธศาสนากับล่างพระราชบัญญัติการคุ้มของพุทธศาสนา ให้มีระเบียบให้มีแบบแผนให้มีรู ป, ปรธรรมให้เป็นรู ป, ประธรรมขึ้นมาก็ดีแต่ถ้าเราไม่เรียนปฏิบัติธรรมเกีงเกียงเน่ยคนก็ลู่กันเท่านั้นลู่ลู่อยู่ผมโกรธมันไม่ดีก็ลู่อยู่แต่เขาก็ยังโกรธอยู่ผมทุกข์มันไม่ดีก็ลู่อยู่แต่ว่ามันยังทุกข์อยู่แต่ว่าถ้าปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นไปเองนะ แก็นี่หละเราจะเอาศาสนธรรมไว้ได้ไหมเหมือนหลวงพ่อพูดในเมื่อวานเนี่ยศาสนธรรมเกิดขึ้นจากอะไรจากสติสมชัญญาเมื่อมีสติสมชัญญาก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็มีธรรมวินัยสิ่งเหล่านี้อยู่กับใครอยู่กับตำราอยู่กับหนังสือหรือมันต้องอยู่ในชีวิตจิตใจของเรา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 ก็ศึกษากรรมฐานเป็นวิชาหลักเป็นต้นต่อของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมานะก็ต้องเรียนทั้งปฏิบัติทั้งปริยัติขันธทุละเรียนปริยัติคําสอนคําอะไรต่างๆวิปัสสนาทุละก็คือเรียนเรื่องกรรมฐานขันธทุละวิปัสสนาทุละพวกเรามีทุละสองอย่างนี่ ให้ศึกษาให้เรียนรู้ให้เข้าใจอย่าที่งมันตรงนี้มันจะเสียชาติที่เกิดมาชนะีวิตเราเพื่อการนี่โดยตรงก็สอดให้ฟังสอนให้รู้สอนให้ทาทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกัน